ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ mm. การปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ลองก่อนอื่นต้องลดละความกระด้างกระเดืองลงให้หมดเลย มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่กระด้างกระเดืองเช่นนี้เรามันจึงปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ขอการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นการปืนกิเลสตัณหาครูใดมีกิเลสตัณหาหนาแน่น ก็ไม่สามารถจะฝ่าผืนอำนาจของกิเหตตัณหานั้นมาปฏิบัติธรรมได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงคาระวะธรรมหกอย่างไว้ดังที่เราสวดกันมาเมื่อกี้นี้แหละความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ นี่นะความเคารพในไกลติขาความเคารพในการศึกษาความเคารพในความไม่ประมาทอันนี้ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาจะเป็น นักปวดก็ดีเป็นครือข่ัดก็ดีจำต้องปฏิบัติตามคารวะหกประการนี้เพราะเหตุใดท่านจึงสอนให้ปฏิบัติตามนี้เพราะว่าคนเรานั้นถ้าหากว่าถือตนถือตัวอยู่ ถือว่าตนดีแล้วตนบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้แล้วเอกระด้างกระเดืองก็ไม่ต้องการอยากจะเค า, ารพต่อสิ่งใดเป็นอย่างนั้นเดืองมานะ่ะทีนี้มาพูดถึงว่าท่านผู้รู้อ่ะท่านผู้รู้นั่น ท่านย่อมเคารพคารวะคุณธรรมหกประการนี้เพราะเหตุใดเพราะว่าต้นที่จะได้มาปฏิบัติละราคะโทสะโมหะให้น้อยเบาบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจนี้ก็เพราะมีความเคารพ มีความเลื่อมใสในพระพุท ธ, ธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐจริงมีความสามารถลักกิเลสเหล่านี้ได้จริงเมื่อพระองค์ลักกิเลสได้แล้วคําสั่งสอนของพระองค์ซึ่งเรียกว่าพระธรรมมันก็เป็นธรรมอันประเสริฐที่บุคคลควรปฏิบัติตามควรปฏิบัติต บ, ต บ, ตบูชา ทีนี้พระธรรมที่เราได้ศึกษาเลาเรียนจดจำได้ปฏิบัติตามมาโดยลำดับนี้มันก็ได้มาจากพระสงฆ์ที่ท่านได้ศึกษาเลาเรียนจดจำปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้ามาจนได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษละกิเลสขาดจากสันดานโดยเ อ, เ อ, เอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างแล้วท่านที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรท่านก็ทรงไว้ซึ่งพุทธพจน์คือพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าอืมและ ก็ประพฤติปฏิบัติตามศีล ส, สมาธิปัญญาแล้วกระชักจูงผู้อื่นให้ปฏิบัติตามด้วยให้ศึกษาเราเรียนจดจำเอาคำสอนของพระเจ้าด้วยแล้วยกทายิกาผู้อุปธถรมระถากวัตว า, าศาสนาโดยปัจจัยทั้งสี ก็พร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติตามมีความเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์อย่างแรงกล้าเหมือนกันเหตุนั้นจึงได้ทำให้พุทธศาสนายั่งยืนมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ถ้ า, าว่าพุทธบริษัทกระด้างกระเดืองไม่เคารพ ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เช่นนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยไม่เคารพในการศึกษาเราเรียนอย่างนี้นะก็ไม่มีความรู้ติดตัว วันนี้ก็การประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นไปได้ยากคนไม่มีความรู้นะคนมีความรู้แต่ว่าไม่ได้เอาความรู้นั้นมาปฏิบัติฝึกประดับกายวาจาใจของตนอันนั้นก็ใช้ไม่ได้คนทั้งไม่มีความรู้ด้วย ทั้งไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยก็ใช่ไม่ได้ดังนั้นต้องมีความรู้ด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสอนโดยความไม่ประมาทเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้าเราปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนี้แล้วมันจะตายก็ตายลงไป ขอถวายชีวิตปูชาเลยถ้าอย่างนี้แนละ้วมันจึงค่อยได้ผลการนับถือบุิสัทธ์หนานะมันจึงได้ที่พึ่งทาง จ, จิตใจคำว่าคุณทั้งหลายนั่นถ้าหากว่าเราไม่ทำความเลื่อมใสในใจเราไม่นึกไม่โน้ม เช่นนี้คุณนั้นก็ไม่มีเรื่องมะนะคุณของศีลอย่างนี้นะถ้าไม่มันนึกถึงศีลคุณของศีลก็ไม่เกิดถ้าเป็นผู้รักษาศีลจริงก็ต้องเป็นผู้มีสติสมบทัญญะสังรวมกายวาจาของทนเสมอเสมอ ที่จะทำรวมได้ก็เพราะมันนึกถึงนั่นเองเนี่ยเมื่อเราจะทำอะไรจะพูดอะไรต้องนึกก่อนว่ามันผิดทมผิดวินัยหรือไม่ผิดศีลหรือไม่อย่างนี้นะไอ้ความระลึกอันนี้มันเร็วมากมันไม่ใช่ชา้าช้ามันไวพอเรา นึกคิดว่าจะทาอันนั้นจะพูดอย่างนี้อย่างนี้มันกำหนดรู้ว่ารู้ว่าไม่ผิดสินไม่ผิดทำอย่างนี้มันรู้ทันทีแล้วมันก็ทำไปพูดไปอย่างนี้นะแต่ถ้าใครทำอะไรพูดอะไรไม่คำนึงถึงสินถึงทำถึงวินยัยอย่างนี้แล้วบางทีมันก็ผิดพลาดไปเลยบางทีก็ถูก มันเอาแน่นอนไม่ได้เลยเปยน็นยัง้งเพราะฉะนั้นทุกคนเราต้องฝึกต้องฝึกตนของตนให้เป็นผู้อ่อนโยนอ่อนน้อ ม, อมเป็นผู้เคารพต่อระเบียบกติกาของวัด ถ้าเอยู่ในวัดก็ดีหมู่คณะได้ตั้งกฎกติกาว่าอย่างไรเราต้องเคารพปฏิบัติตามโดยความเคร่งครัดเช่นนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้สนใจในการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ให้เข้าใจ ไอ้ความเป็นผู้เคารพต่อความไม่ประมาทอันนี้นับว่าสำคัญมากเพราะคนเราถ้าไม่ประมาทแล้วมันก็ย่อมมีสติสมัมปชัญญะระลึกถึงตนอยู่เสมอว่าเวลานี้ขณะนี้ตนทำอะไรอยู่ตนพูดอะไรอยู่ผิดหรือถกูกอย่างนี้นะจะต้องรู้ทัวอยู่เสมอ อันนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายธรรมที่เป็นอกุศลก็รู้แล้วไม่สะสมให้มันเกิดขึ้นในกายวาจาใจธรรมที่เป็นกุศลก็รู้ทรรมอย่างนี้พูดอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลก็พยายามทาพยายามพูดสิ่งที่เป็นบุญกุศล เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนั้นเสมอไปอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายผู้ประมาทมันก็โครงกันข้ามไม่สนใจไม่มีสติสมัมปเชญะก่อนจะทำจะพูดอะไร ทำไปพูดไปตามอารมณ์ความคิดความนึกความอยากความปรารถนาอย่างนี้นะมันก็มีส่วนผิดนั่นอยู่มากมายเหมือนกันเลยคนทำอะไรพูดอะไรไม่มีสติแล้วนะมีทางผิดมากกว่าทางถูกมันเป็นอย่า ง, งานั้นเดองมานนะ่ะเพราะฉะนั้นคำว่าเคารพในความไม่ประมาทในที่นี้นะ จึงหมายเอาเป็นผู้ฝึกสติความะระลึกได้อยู่เสมอก่อนทำก่อนพูดอะไรเมื่อเวลานึกได้แล้วว่ามันผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยก็งดไม่ทำไม่พูดถ้าะระลึกได้ว่าการทำการพูดอย่างนี้มันไม่ผิด สินผิดธรรมผิดวินัยเช่นนี้แล้วก็จึงค่อยทําค่อยพูดไปในขณะที่ทําอยู่พูดอยู่นั้นก็รู้ตัวอยู่ว่าตนพูดเรื่องอะไรเรื่องนี้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นจึงได้ทําจึงได้พูดไปรู้ตัวอยู่ยนี่นะ ถ้ารู้ว่าจะไม่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วไม่ทำไม่พูดได้แก่สัมปััญญาความรู้ตัวเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจถ้าว่าบุคคลไม่ฝึกตนอย่างนี้แล้วจะรักษาศีลรักษาวิในก็ไม่ไม่ได้แล้วได้กระขาดขาดตกบกพร่องไป ไม่สมบูรณ์หมายความว่าอย่างนั้นเหตุนั้นในท้ายปฏิโมกนั้นสติมาวินยโยดาตโบเพ่งทำให้แจ้งซึ่งสติวินยัยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคำว่ารักษาศีลในที่นี้หมายถึงเป็นผู้รักษาสตินั่นแหละ ไม่ให้มันเสื่อมไปเมื่อมีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วก็เป็นอันว่ารักษาศีลรักษาวินัยรักษาธรรมะไว้ได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในธรรมวิภาคนะว่าธรรมมีอุปการะมากสองอย่างคือสติความระลึกได้ สมบัจญนะความรู้ตัวนี่นะเป็นอันว่าบรรดากุศลธรรมทั้งหลายนั่นนะย่อมมีสติสมบัจิชนะเป็นผู้อุปการะจึงเกิดมีได้แล้วก็จึงตั้งอยู่ได้ในจิตใจนี้ หมายความว่ากุศลธรรมทั้งหลายต้องสติะระลึกถึงก่อนกุศลธรรมจึงเกิดขึ้นในใจเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาใจนั้นรู้จิตตัวเองว่ามีคุณธรรมอย่างนี้อย่างนี้อยูอย่ในใจสัมปชัญญะในกาหนดรู้อยู่เช่นอย่างว่าตนมีเมตตากรุณาอยู่ในใจเสมออย่างนี้นะ ก็รู้เนี่ยคนที่มีเมตตาปรารถนาให้ตนเองก็ดีปรารถนาให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันเช่นนี้แล้วผู้นัน้นย่อมบรรเทาความโกรธความพยาบาทลงได้ถ้าว่ามันยังละกิความโกรธนี้ไม่ได้เด็ดขาดมันเผลอ รขึ้นมาอย่างนี้มันรู้ตัวแล้วมันก็รีบระงับเสียไม่ไม่ผูกโกรธไว้ในใจไม่เพ่งโทษของคนที่ตนเกลียดชังนั้นก็เมื่อเขาไม่ดีแล้วก็ให้เป็นเรื่องของเขาไป อ, อย่างนี้นะเราจะไปยื่นมือเข้าไปถ้าเราไม่ไม่ใช่ผู้บริหารปกครอง อ่าเขาจะไม่ยอมให้เราสอนคนผู้กระด้างกระเดืองอย่างนี้แหละดังนั้นนะ่ะเมื่อรู้เท่าอย่างนี้แล้วเขาก็จะไม่โกรธใครคนที่มาแสดงอาการกรยายกายหน่าเกลียดน้าชังให้แก่ต้นอย่างนี้ต้นก็ไม่โกรธ อันเขาเหตุว่าถ้าโกรธขึ้นมาแล้วมันก็ก่อความทุกข์ให้แก่ทั้งแก่ตนและทั้งแก่ผู้นั้นอีกไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยเนี่ยมันคิดเห็นอย่างนี้นะนั่นแหละมันถึงไม่โกรธมันจึงอาภัยให้กันได้คนเรานะถ้าไม่ถ้าเหตุผลดังกล่าวมานี่ไม่ปรากฏขึ้นในใจแล้ว แน่นอนแหละใครมาชวนทะเลาะชวนโกรธก็โกรธก็ทะเลาะไปเรื่อยไม่อดไม่ทนไม่อโหสิกรรมให้ใครเลยเช่นนี้ผู้เป็นเช่นนั้นน่ะชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปฏิบัติธรรมชื่อว่าไม่ได้ฝึกตนผู้ไม่ฝึกตน ก็จะบำเพ็ญประโยชน์ตนแลวผู้อื่นอะไรก็ไม่ได้เลยแบบนี้เหมือนอย่างไม่ตัดเอามาทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งแก่นเช่นนี้นะจะเอามาสร้างบ้านอันถาวรต่อไปไม่ได้ใครย่อมไม่ทำถาวรไปทำอย่างนั้นไม่ได้เป็นเสียแต่ทาชั่วคราวต้องถากเปลือกถากกระพี้ออกไปจนหมดเหลือแต่แก่น แล้วจึงเอามาปลูกว้านสร้างเรือนมันก็อยู่ได้นมนานกลัวมันจะผุจะพังไปก็ดีอย่างนี้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการบาเพ็ญบุญกุศลในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคล เพิ่งสั่งสมบุญกุศลทีละน้อยละน้อยเหมือนกับน้ำหยดชายคาลงใส่โอ่งใส่ไหานานไปมันก็เต็มอยู่ในตัวมันฉันใดการบาเพ็ญบุญกุศลนี่เราจะบาเพ็ญทีเดียวให้เต็มเลยนะไม่ได้ก็ต้องค่อยสั่งสมบุญกุศลนี่ไปตามกำลังความสามารถ แต่เราสั่งสมบุญกุศลไปไม่ท้อถอยนะอย่างนั้นทาไปไม่หยุดไม่ยัง่งเลยหมายเอาอย่างไงก็หมายเอาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละไอ้เมื่อเขามาชวนทะเลาะวิวาสเราไม่ทะเลาะเราหาทางหลีกเลี่ยงเสียได้เราให้อภัยเข้าไปได้ มันก็เป็นการสั่งสมบุญกุศลอันสำคัญอยู่แล้วนี่นะต้องเข้าใจไม่ได้หมายว่าเพื่อในการให้เข้าของเงินทองเป็นทานเท่านั้นจึงเรียกว่าเป็นการสั่งสมบุญอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะไปมุ่งมั่นทำบุญแต่ให้เข้าน้ำเป็นทานผ้านงกาวเป็นทานเท่านั้นมันไม่ มีกำลังพอที่จะละกิเลสปาประธรรมต่างๆได้ลำพังแต่กำลังของทานนะมันจะมากำจัดความโกรธออกจากจิตใจให้หมดสิ้นไปไม่ได้เลยเพียงแต่บรรเ ท, เ ท, า, เทาเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยพระเทเจ้าจึงทรงสอนให้รักษาศีลเข้าไปอีกว่านี้ การรักษาศีลก็หมายความว่ารักษากายว า, าจาไม่ให้ทำบาปไม่ให้พูดสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติท่ามไว้นั้นเราก็ไม่ล่วงเกินมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังอยู่เสมอเสมอเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นที่ว่าไม่ได้สะสมบาปให้เกิดขึ้นในตน ธรรมดาคนมีศีลมันต้องมีเมตตากรุณาอยู่ในใจเสมอมันก็จึงมีศีลได้เมตตากรุณาธรรมอันนั้นเป็นตัวบุญตัวกุศลบัดนี้อหมายถึงจิตใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมอันนั้น่ะเป็นตัวบุญตัวกุศลบัดนี้ต้องให้เข้าใจเมื่อคุณธรรมเหล่านี้ บังเกิดขึ้นในใจมากๆแล้วความโกรธความมายาวันมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันเป็นคู่ปรับกันนะถ้าเมตตาธรรมกรุณาธรรมเกิดขึ้นในใจแล้วความโกรธความามายาวันเขาเกิดไม่ได้แต่ทางนี้แล้วทางนั้นมันต้องอาศัยใจเป็นใหญ่ใจนี่จะชอบไปทางไหนบ่านี่ ถ้าใจชอบไปทางโมโหโทโสพยาบาทตจองเวีเนี่ยนี้เมตตากรุณาธรรมก็บังเกิดขึ้นไม่ได้ไปอย่างนั้นจิตใจเช่นนั้นยอ่อมมีไม่มีการให้อภัยแก่บุคคลผู้ใดและสัตว์จำพวกใดทีนี้ถ้าใจเราชอบไปทางเมตตากรุณาธรรม ชอบให้อภัยแก่บุคคลผู้ผิดผู้มาล่วงเกินตนอย่างนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สะสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตนเสมอไปแหละเมื่อจิตยังมีเมตตาการุณาให้อภัยต่อ บ, บุคคลผู้ร่งล่วงเกินตนไม่ตอบโต้ไม่ตอบแทนแก้แค้นเช่นนี้นะ บุญย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นเสมอไปให้พากันเข้าใจอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงว่ามีแต่ทานอย่างเดียวนะถ้าไม่มีศีลแล้วละ บ, บาปไม่ได้เลยถ้ามีทานมีศีลแล้วไม่มีไหวพระไม่มีนั่งสมาธิภาวนา เช่นนี้นั้นทานศีล น, นั่นก็ไม่ไม่พองใสไม่สะอาดเพราะมันมีกิเลสเข้ามาแทรกแซงอยู่เช่นนี้ถึงจะเป็นกิเลสที่ไม่ไม่เป็นบาปไม่ประกอบไปด้วยบาปมันก็ยังสามารถทำจิตให้เศร้าหมองขุ่นมัวได้เป็นอย่างนั้น ดังนั้นน่ะถ้าบุคคลไม่ไม่พระไม่นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นั่นบางคนก็สะสมกิเลสอัญหาบให้เกิดขึ้นในใจในการต่อไปก็กลับเป็นผู้ไม่มีศีลอีกแล้วล่วงศีลไปได้มันเป็นอย่างนั้นผู้ใดมีภาวนารักษาจิตใจของตนเสมอเสมอไป ได้แล้วอย่างนี้บาปอากุศลก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้อเพราะว่ามีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตอยู่ไม่ให้มันคิดไปในทางบาปอากุศลคือมันไม่ให้มันคิดโลภคิดโกรธคิดหลงนั่นแหละใช้ปัญญาสอนจิตไม่ให้มันถือมั่นในขันหานี่บอกเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา นี่ไอ้กิเลสตัวนี้สำคัญมากทีเดียวนะถ้าจิตใจมายึดถือสำคัญว่าขันธานี่เป็นของเราเป็นของเขาอยู่อย่างนี้แล้วกิเลสมันจะแห้งไปไม่ได้เลยมันจะสร้างความโลภโกรธหลงให้เกิดเรื่อยไปอยู่นั้นแหละก็เพราะว่าถือว่าร่างกายเป็นของเรา แล้ววันนี้มันก็อยากได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอยากให้ร่างกายเป็นสุขกดดีนหล่นหาเงินทองเข้าของจะได้โดยทางสุจริตก็เอาได้โดยทางสุจริตก็เอาเอ า, เอ า, เอาทั้งสองทางเพราะความอยากความปรารถนาต้องการอยากจะให้ได้ ปัจจัยทั้งสี่มาบำรุงร่างกายนี้ให้เป็นอยู่ยั่งยืนนานนี่แลหละมูเหตุมันน่ะมันไปจากนี้เองเนี่ยการนี้คนเรา จ, จะทำความชั่วมีค่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมกล่าวมุสาวาตื่มสดมุดาเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆเหล่านี้ได้ มันก็เกิดจากจิตใจที่มายึดมั่นอยู่ในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละถ้าพระท่านแนะนำตักเตือนอย่าโยมผู้ได้ต้องการพ้นจากทุกข์ในนรกแล้วก็อย่าไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นมีดื่มสุราเป็นที่สุดอย่างนี้บางคนก็เลยบอกว่า ไม่ทำบาททำไงได้ไม่มีเงินไม่มีทองจะซื้ออาหารมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมันก็จำเป็นต้องได้ไปค่าเนื้อเบื่อปลามาทำอาหารเลี้ยงกันมันจึงจะมีชีวิตเป็นอยู่ไปได้ส่วนมากก็มกกักจะอ้างอย่างนั้นแหละแต่ความจริงแล้ว ผู้รักษาศีลไปแล้วไม่รับประทานเนื้อปลาสัตว์มีชีวิตต่างๆดังกล่าวมานั้นเขาก็ไม่ตายม่เคยเห็นมาอยู่หลายแล้วเหมือนกันแหละผู้ที่กินเจบางคนนะกินมาจนเฒ่าจนแก่อายุยืนซะด้วยเท่าที่ไปเห็นนะ่ะ โรคภัยไม่ค่อยเบียดเบียนแน่นอนแหละบุคคลมุมมามในเนื้อในอาหารมากเกินไปล่ะมักจะมีโรคภัยเกิดขึ้นเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนละยควรพากันเข้าใจว่า การที่เราจะไปนึ ก, กว่าจะละเว้นเนื้อสัตว์ต่างๆไม่ได้เลยแม้แต่มือเดียวหรือครั้งเดียวอย่างนี้นะไม่ใช่นะมแม้จะขาดไปบ้างก็ไม่เป็นไรอ่ะอาหารพวกเนื้อสัตว์เพลิกอะไรต่างๆวันนี้นะเราหาเงินนทองโดยทางอื่นนู่น ทางที่จะเป็นไปเพื่อทำให้สินขาดแล้วเราไม่เอาแย่นี้นะเรืหาได้มาไม่มากก็าตามจะขอให้เรามีสินเท่านั้นแหละรับประทานอาหารนี่จะไม่มีรสอร่อยบางครัง้งบางคราวก็ตามเราก็พยายามรับประทานไป พิจารณาลงไปแล้วว่าอาหารนี่บริสุทธิ์ไม่มีไม่เป็นบาปไม่เป็นโทษอะไรเรารับประทานลงไปนี่มันก็ต้องบำรุงร่างกายนี่ให้เป็นอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเรารับประทานอาหารนี่ไดในมุ่งหวังว่าจะให้ร่างกายนี้อ้วนพีหรือจะให้มีอายุยั่งยืนนานไม่ได้คิดอย่างนั้น คิดเพียงว่ารับประทานอาหารนี้สำหรับบำรุงร่างกายอันนี้ไว้เพื่อให้มีกำลังได้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเท่านั้นถ้าบุคคลมาพิจารณาเห็นบาปเห็นโทษภัยในนรกอบายภูมิดังที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆนั้นก็ไม่ควรจะไปเห็นแก่ปากแก่ท้อง ควรที่จะอดทนให้อาหารซึ่งปรุงด้วยเนื้อสัตว์ต่างๆขาดตกบกพ่องไปพังบ้างก็สร้างมัน่นเราหารับประทานอาหารอันที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้นไปก่อนหาเงินหน้าทองได้มาแล้วก็จึงค่อยไปซื้อเอาอาหารที่ปราศจากโทษนั้นมารับประทาน แต่บางคนก็ว่าอา้าวถ้าไปซื้อเอาเนื้อสัตว์ต่างๆมารับประทานมันก็คงเป็นบาปเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าไปส่งเสริมให้เขาใข้คนก็ทําปานาติบาตถ้าหากว่าไม่มีผู้ซื้อมันก็ไม่มีผู้ค่าออันนี้มันพูดกันอยู่เรื่อยมาแหละได้ยินอยู่เรื่อยทีเดียวออื มันไม่เป็นอย่างนั้นความจริงนะ่ะแต่พระศาสดาทรงบัญญัติไว้ห้ามรับประทานเนื้อสัตว์นี่โดยอาการสามอย่างคือว่าด้เห็นเขาฆ่าสัตว์ตัวนั้นแล้วถ้าเป็นก ร, รนะเราหัดนไปซื้อเอาเนื้อของสัตว์นั่นมาทำอาหารบริโภคอย่างนี้นะอันนั้นไม่สมควรผู้ผู้รักษาศีล น, นะนี่ ถ้าเป็นพระภิกษุอย่างนี้ได้เห็นเขาฆ่าสัตว์ดังกล่าวมานั่นแล้วเขาทำอาหารมาถวายก็ห้ามฉันอย่างนี้ที่ทรงห้ามไม่ฉันเนื้อฉันปลาให้เข้าใจหรือได้ยินผู้มาบอกเล่าว่าบ้านนั้นเขาจะทำบุญบ้านเขาฆ่า หมูหรือว่าข้าวัวข้าควายข้าเป็ดข้าไก่ทำอาหารเลี้ยงพระในวัดนี้อย่างนี้นะพระได้ยินอย่างนั้นแล้วกว็ห้ามฉันหรือว่าเขานำอาหารมาถวายนึกในใจว่าให้เจ้านี่อาจจะฆ่าสัตว์ตัวนี้แล้วทำอาหารมาถวายเราโดยเฉพาะจอจง พอเกิดสงสัยแข็งใจข็้ อ, อย่างนี้ก็ห้ามฉันฉันไม่ได้ไอันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ฉันเนื้อฉันปลาโดยอาการสามอย่างลี่กล่าวมานี้เพราะนั้นให้เข้าใจกันถ้าพระองค์เห็นว่าเมื่อเว้นจากการรับประทานเนื้อสามอย่างนั้นแล้ว แล้วไปราประทานเนื้อที่บริสุทธิ์ดังกล่าวมานี่ย น, นะแล้วเป็นโทษเป็นบาปแล้วพระองค์ก็จะห้ามเสียเลยแล้วพระองค์ก็จะไม่ฉันเนื้อฉันปลาเลยอนี่เราต้องพิจารณาเห็นอย่างนี้ใครเราจะไปรู้ยิ่งเท่าพระศาสดาไอ้ผู้ที่เกิดมาในภายหลังนี่เมื่อเกิดความคิดความเห็น พิษแตกแตกต่างคำสอนของพระพุทธเจ้าออกไปไม่น่าปฏิบัติตามเพราะเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นเหตุเห็นผลแจ่มแจ้งโดยตนเองที่พระ อ, องค์เจ้าแสดงเหตุผลว่าอย่างนั้นมันแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยแล้วตอนอ สอนให้พากันพิจารณาเรียกว่าท่องจำปฏิสังขโยอัจมรยายะถาปเจยังอะไรหมุนี่นะให้ได้แล้ะคำแปลมันก็สอนให้เรามรา ล, ลึกในเวลาก่อนถันก็ดีเวลาถันอยู่ก็ดีว่าอาหารนี่เป็นได้มาโดยทางบริสุทธิ์แล้ว ไม่ได้ช่อกงหลอกลวงประจบประจงเอาอาหารจากชาวบ้านมาฉันเขาเต็มใจบริจาคทานแล้วอาหารนี่มันก็เป็นแต่เพียงาธาตุดินกับาธาตุน้ำเท่านั้นาธาตุไฟธาตุลมก็มีอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นาธาตุดินกับาธาตุน้ำไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรอยู่ในนี้เลย เราพิจารณาลงจํากัดเฉพาะอาหารที่อยู่ในบาทอย่างนี้นะไม่ต้องเพ่งออกไปถึงว่าบ่อกเกิดของอาหารนี่มันมายังไงไม่ต้องพิจารณาไปถึงนั่นหรอกนั่นเรื่องของผู้อื่นเขาเขาทำอาหารเขาจะทำโดยอาการอย่างไรอย่าเราอย่าไปสนใจเลยให้สนใจแต่ที่เราได้มานี่นะแล้ว อ, อยู่ในบาทนี่นะ หรืออยู่ในภาชนะหนึ่งเห็นว่าเป็นนิสตโตไม่ใช่สัตว์นิชีโวไม่ใช่ชีวิตนยญโยเป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลตัว ต, วตนเราเขาทาตุมตะโกซักว่าแต่ธาตุเท่านั้นไลยไม่ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในอาหารนี่เลยเราพิจารณาลงไปอย่างนี้เห็นเป็นฉพาวาธาตุไป ถ้าหากว่าบุคคลผู้เป็นราคะจริตนี่ก็พิจารณ า, นานให้เห็นอาหารนี่เป็นของโสโครกปฏิกูลตามเป็นจริงเพราะมันปฏิกูลโสโคร ก, รกจริงๆเนี่ยอาหารเนี่ยมันมันสะอาดเมื่อไหร่แล้วถ้าลองเอาทิ้งไว้สักสองสามชั่วโมงหรือจะครึ่งวันลองดูสิ อาหารนั่นจะมีกลิ่นบูดขึ้นมาเลยถ้าใครขืนรับประทานลงไปก็ท้องเสียแล้วอย่างนี้นะมันเราจะพยายาหนัดกินดีในอาหารนั้ น, น, นทำไมนะ่ะเมื่อพี่นาเห็นอธุภะอย่างนี้แล้วแล้วเมื่อพี่นาให้ลึกเข้าไปอีกว่ารูปร่างกายนี่จะเป็นรูปผู้หญิงก็ตามรูปผู้ชายก็ตาม มันก็มีอาหารอันนี้เป็นเครื่องรอเลี้ยงเมื่ออาหารนี้สกรปรกโสมมแล้วร่างกายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็สกรปรกโสมมเหมือนกันไม่มีรูปร่างใดสวยสดงดงามเลยอย่างนี้นะเ้าพิจารณาให้ถึงความจริงอย่างนี้แล้วมันก็คลายความกำหนัดทินดีต่างๆให้ลดน้อยเทาถอยเบาบ า, างออกไปส่วนหนึ่งอันนี้นะ นี่เพิ่งพากันพิจารณาดูให้ดีอันนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสพาสิต ว, ว่านิสัมมะกระนังเสยโยใครครวนก่อนแล้วจึงทำจึงพูดดีกว่าจำไว้พุทธภาสิตนี่นะเราจะนุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายอะไรก็พิจารณาให้เห็นเป็นสัพวธาต์ลงไป เราจะนั่งนอนเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยอะไรถ้าพิจารณาให้เป็นสภาวธาตุลงไปเราจะฉันฉันยุกฉันยาแก่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ให้พิจารณาเห็นยานั้นเป็นสภาวธาตุลงไปไม่ใช่สัตว์ปุกคลไม่ใช่ของดีวิเศษอะไรเกินไปกว่าที่เป็นเครื่องบาบัดโรคภัยไข้เจ็บเท่านี้ พิจารณาลงไปมันเห็นอย่างนี้แล้วก่อนนั่นแหละก็จะเป็นเหตุให้ความกำหนัดยินดีในปัจจัยเครื่องอาศัยนั้นเบาบางออกไปจากกิจใจแล้วก็ความกำหนัดยินดีในรูปในเพศครงกันข้ามก็จะเบาบางลงเป็นอย่างนั้น แล้วจิตใจก็จะรวมลงไปในขณะพิจารณาเวลาขบฉันอยู่ยนี่นะเราพิจารณาตามอาหารอย่างที่ว่านี่ไปเรื่อยๆไปเนี่ยความยินดียินไลในอาหารมันไม่มีมานี่มันเห็นเป็นสภาวะธาตุลงไปจิตใจมันก็เป็นปกติเวลาขบฉันอยู่ก็ไม่ปล่อยให้จิตคิดส่งไปข้างนอก แต่ผู้ที่ไม่มสำรวมไม่พิจารณาไม่มีสมาธิจิตอย่างที่ว่านี่เอา้าเคี่ยวอาหารไปจิตใจก็คิดไปตามอารมณ์ที่ตนชอบใจภายนอกนูน่นสัตพัดจะคิดไปอย่างนี้นะอย่างนั้นเราทำกิเลสมันจะไม่แห้งไปได้เลยให้ฟังกันเข้าใจเวลาฉันอยู่ก็ต้องกําหนดพิจารณาจิตตัวเองอยู่รักษาจิตตัวเองอยู่ ให้รู้เท่ารสชาติของอาหารอ น, นั้นไม่ยินดียินร้ายกับรสอาหารอ น, นั้นต์พิจารณาร่างกายนี้ถึงแม้อาหารหล่อเลี้ยงมันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไปมันก็ยังจะต้องแตกลับอยู่ไม่ควรที่จะไปหลงไหลยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของของเราเลยควรปล่อยคววางควรทำใจเป็นอุเบกขา นี่เมื่อได้พิจรารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็สามารถรักษาปกติจิตทั้นไว้ได้ไม่เสื่อมจากศีลจากธรรมจากบุญกุศลจากสติปัญญาดังแสดงมา